อยากเลิกรู้สึกผิดกับการทำแทงบทความโดยดังตรินจัดทำโดยธนพันธ์สุทธหลวงทำอย่างไรจะเลิกรู้สึกผิดเลิกหดหูเศร้าส้อยจากการทำแทงได้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวจะต้องไปชดใช้ในชาติหน้าหรือเกินการรู้สึกผิดนั้นดีครับ แต่อย่ารู้สึกผิดนานอย่าโทษตัวเองอย่าด่าตัวเองไม่เลิกขอให้มองความทารุณจิตใจในการทำแท้งเป็นบทเรียนสำคัญที่เจ็บแสบและมีราคาแพงที่สุดในชีวิตบทเรียนไม่ได้มีไว้ให้ทรมานา น, นานแต่มีไว้ให้จำนานๆนนเข็หลาบนานๆนนและทำสอบครั้งต่อไปให้ผ่านหากห้ามจิตใจไม่ให้หลงก่อเหตุอันจะนำไปสู่ปัญหาอีก เรื่องโหดร้ายที่กลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่านั้นมักเป็นจุดหักเหชีวิตที่สำคัญเปลี่ยนจากเด็กไร้เดียงสาให้เป็นผู้ใหญ่ที่สุขุมและเท่าทันโลกเปลี่ยนคนไร้จุดหมายให้กลายเป็นคนอยู่เพื่อจุดหมายเปลี่ยนจากคนไม่เชื่อบุญบาปเป็นศัทธากรรมวิบากได้บาปทวีกำลังขึ้นได้จากการลงมือทาบาปด้วยใจยินดี หรือด้วยความเต็มใจหรือด้วยความขาดสํานึกผิดชอบฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกผิดแล้วก็ดีแล้วเพราะแสดงว่าใจไม่มีความยินดีในบาปบาปนั้นก็เป็นบาปชนิดที่ผ่อนพันได้ทําดีหนีการไล่ล่าของบาปไว้อยู่แม้บาปจะไม่แรงขึ้นจากการคิดเสียใจยืดเยื้อก็จริงแต่หากคุณฝังใจกับเรื่องน่าเศร้ามากเกินไปก็อาจโมโหร้าย รู้สึกกดดันมีแต่ความคิดด่าตัวเองหรือกระทั่งอยากทำร้ายตัวเองและคนอื่นที่ทำให้คุณท้องและต้องทำแทง้งอันนั้นละครับจะกลายเป็นการก่อบาปใหม่โดยใช่เหตุเอาเวลาไปคิดพูดทำเรื่องดีๆลืมเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วสิเถอะอยากทำคุณไถ่โทษจากการทำแทง้ง ทำแท้งไปแล้วถ้าอยากทำคุณไทยโทษกับการทำแท้งควรประกอบบุญชนิดไหนบ้างเท่าที่เห็นมากับตามีผู้หญิงทำแท้งจำนวนมากทำคุณไทยโทษมีชีวิตที่รุ่งเรืองและเบิกบานได้อย่างคนดีดคนหนึ่งฝังความมืดไว้กับอดีตไม่นำความมืดติดตัวมาบทบางวันนี้ให้หมองเปล่าบุญที่ทำนั้นขอให้ครบวงจรจะดีที่สุด ทั้งการให้ทานและการรักษาศีลในส่วนของการให้ทานก็อาจเป็นในรูปของการช่วยเด็กอนาถาเลี้ยงดูเด็กซึ่งอยู่นอกบ้านหลายๆคนให้โตขึ้นมาได้ดีๆในส่วนของการรักษาศีลให้เน้นการถือศีลข้อแรกให้บริสุทธิ์คือตั้งใจว่าต่อไปเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเด็ดขาด หมายเหตุผู้อา่านสําหรับท่านที่อยากทำบุญบรรเทากรรมให้ตนเองนะครับอยากแนะนำให้ลองไปฟังเกี่ยวกับเรื่องทำบุญแก้บรรเทากรรมและการสวดมนต์ภาษาไทยประจำวันที่ผมเรียบเรียงและทำไว้ในช่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมในการทำบุญได้หลากหลายมากขึ้น